ปุเพนิวาสานุสติยานขอไขข้อวิปัสนาญาณที่เป็นปุเพนิวาสานุสติยานคือการระลึกชาติก่อนได้พอเป็นนิทั์อุทาหนเท่าที่ผู้เราได้ฟังมาเกี่ยวกับการเกิดในชาติก่อนและบุคคลที่เกี่ยวข้องชาติหนึ่งนั้นท่านพระอาจารย์เกิดในมณฑลยูนาน ในตระกูลขายผ้าขาวมีน้องสาวคนหนึ่งเคยสงเคราะห์ช่วยเหลือกันมาชาตินี้คือนางนุ่มชุวานนขหบดีชาวสกล น, นครผู้สร้างวัดป่าสุทาวาดให้และท่านก็ได้สงเคราะห์ด้วยธรรมเป็นที่พอใจชาติหนึ่งเกิดที่โยโนกโประเทศปัจจุบันคือเมืองเชียงตุงประเทศพมา่า ในตระกูลช่างทำเสือลำแพนเสือลำแพนคือเสือปูพื้นทำด้วยหวายท่านพระอาจารย์เสาเป็นในช่างใหญ่องค์ท่านเป็นผู้จัดการส่วนพระธรรมเจดีจูมพันธุโลเป็นคนเดินตลาดชาติหนึ่งเกิดที่แคว้นกุรูรัตชมพูทวีปประเทศอินเดีย ผู้เกี่ยวข้องคือเจ้าคุณอุบาลีคุณอูปมาจานจันสิริจันโทเป็นพี่ชายคือพระปทุมราชาผู้ครองแคว้นกุรุท่านเป็นเสนาบดีพระอาจารย์เทศเทสารังสีเป็นหลานหัวดือ้อใครบอกไม่เชื่อนอกจากท่านพระบิดาจึงมอบให้ท่านดูแลได้เฝ้าพระพุทธเจ้าเฉพาะพระพัก และได้ตั้งความปรารถนาขอเป็นพระพุทธเจ้าต่อหน้าพระพักดังที่ผู้เล่าเล่ามาแล้วชาติหนึ่งเกิดที่ลังกาทวีประเทศสีลังกาและบวชเป็นพระได้เข้าร่วมสังคยาพระไตยปิฎกครั้งที่สี่ซึ่งมีพระเป็นหมืน่นพักเสนาสนะร่วมกันสององค์บ้างสามองค์บ้างท่านว่า ได้อยู่เซนาสนาเดียวกับท่านวิริยังศิรินทโรเป็นเพื่อนกันมาจนบนัดนี้ท่านว่าเรื่องราวจากพรรษาที่หนึ่งถึงส2สองของท่านพระอาจารย์คงจะพอสมควรแก่การเวลาเท่านี้